โอเคก็สวัสดีนะคะทุกคนก็ยนินดีต้อนรับสู่ช่อง j a z z i s e Channel และวันนี้นะคะเป้ จ, จะพาทุกคนมาร่วมบรรยากาศวันที่เป้ จ, จะมาลุ้นผลว่าตกลงใครคือ a s t เ r c h e f All-Star คนแรกของประเทศไทยแล้วก็ Masterchef คนต่อไปของประเทศไทยนะคะ